ปัญญาความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นมีขึ้นได้อยู่สขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตมะยปัญญา ปัญญาขั้นที่สองที่เกิดจากการนำเอาไปพิจารณาค่อยนอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไม่ให้ลืมไม่ให้หลงเรียกว่าจินตามียปัญญาและปัญญาขั้นที่สามคือภาวนามียปัญญา ปัญญาที่เกิดหลังจากที่ทำใจให้สงบอันนี้เรียกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญาที่มีสมาธิคือความสงบเป็นผู้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่จะสามารถใช้ดับความทุกข์ต่างๆได้ ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองยังไม่มีสมาธิยังไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ดับตัณหาความอยากต่างๆได้ต้องทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าและ ที่ได้นำเอามาพิจารณาค่ายควนอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาทั้งสามส่วนคือกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสประทับพระภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ และวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ตัณหาทั้งสามนี้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและปัญญาที่จะดับความทุกข์และตัณหาทั้งสามนี้ได้ต้องเป็นปัญญาที่มี สมาธิเป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าภาวนามยัปัญญานี่เองภาวนาก็มาจากคําว่าสมถภาวนาปัญญาก็คือความรู้ที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้ามาเช่นตอนต้นเราฟังเทศฟังธรรมกันศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่า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 นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราสอนพวกเราพวกเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้สูตรมรยปัญญาขึ้นมาเราได้ความฉลาดแล้วว่ารู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมนุษย์เราจึงถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉาน พราอสัตว์เดรัชาหนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายกันแต่มนุษย์นี่เรามีผู้ที่ฉลาดที่จะคอยสอนคอยบอกกันให้รู้ว่าร่างกายที่เกิดมีมานี้เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายกันไปเป็นธรรมดา แต่เราก็มักจะลืมกันเพราะเราคือกิเลสของพวกเราตันหาของพวกเราจะไม่ชอบคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะลืมไปพอลืมไปก็เลยทําตัวเป็นเหมือนเดรฉานเวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็จะ ใช้สัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานเพื่อที่จะดับความทุกข์ใจเวลาแก่เ ว, เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาปกป้องรักป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปอันนี้ก็เป็นเพราะว่าลืมปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรา พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วให้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาค่าครวนต่อเพื่อจะได้เป็นจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายครวนอยู่เนืองๆหลังจากที่ได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามาแล้วจากการฟังเทศฟังธรรมมาแล้ว เราก็นําเอามาเจริญต่อมาไข้ควรต่อมาพิจารณาร่างกายของเราต่อว่าร่างกายของเรานี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมาจากอาหารมาจากน้ําที่เลื ดืมเข้าไปมาจากอากาศที่สูดเข้าไปมาจากความร้อนของแสงอาทิตย์ของดวงอาทิตย์จึงทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่อยู่ก็อยู่ได้ไประยะเวลาตามวัยของเขาพอถึงหมดอายุไขร่างกายก็จะต้องหยุดทํางาน พอหยุดทํางานแล้วส่วนประกอบที่มารวมตัวกันเป็นร่างกายก็จะแยกทางกันไปน้ําก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งลมก็กลับไปอยู่ยกับลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟน้ําก็กลับไปอยู่กับน้ําดินก็กลับไปอยู่กับดิน ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็หายไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรอบให้กับพวกเราเวลาพวกเราได้ยินได้ฟังทำเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็แสดงว่าเราได้ปัญญามาขั้นที่หนึ่งแล้วคือได้สุตไมายาปัญญามาเป็นเหมือนได้ต้นทุน ให้เอาไปลงทุนต่อเอาเงินที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราเนี้ไปขยายทําให้มันงอกเงยขึ้นมาต่อเช่นเอาไปฝากในธนาคารก็จะได้ดอกเบี้ยแล้วยอดเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหรือเอาไปลงทุนทำมาค้าขายแล้วก็ได้กําไรอันนี้ก็เช่นเดียวกัน หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเจริญต่ออยู่เรื่อยๆโดยการค่ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมของเขาให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะว่าเวลาที่ไม่คิดจะมักจะลืมแล้วก็จะเกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากให้ร่างกายเป็นของเราเป็นตัวเราไปนานๆถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไปหาหมอหมอบอกว่าร่างกายนี้มันจะตายแล้วรักษาโรคนี้ไม่หายแล้วถ้าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอได้ยินคําว่าจะต้องตาย ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างมากจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำอะไรต่อไปแต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เพราะยังไม่สามารถละความอยากไม่ตายได้รู้ว่าจะตายแต่ก็ยังดิ้นยังอยากจะอยู่ต้องไปหาหมอหาวิธีรักษาอะไรต่างๆ ถ้าหมอคนนี้บอกว่ารักษาไม่ได้ก็ไปหาหมอคนใหม่ถ้าวิรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ก็จะไปพยายามหารักษาวิธีใหม่เพื่อจะให้รักษาให้ร่างกายนี้ให้มันหายให้ได้และสมมติว่าถ้าไปหาหมอคนใหม่หาวิธีรักษาใหม่แล้วสามารถรักษาให้มันหายได้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ ตายอยู่ดีมันไม่ตายคราวนี้มันก็ต้องไปตายคราวหน้าอยู่ดีไม่ตายวันนี้มันก็ต้องไปตายพรุ่งนี้อยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้วถ้ายังอยากอยู่ยังไม่อยากตายอยู่เวลามันจะตายมันก็จะต้องทุกข์อยู่ดีวิธีแก้ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องละความอยาก ไม่ตายให้ได้ต้องละความอยากอยู่ให้ได้เพราะความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความตายของร่างกายอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีอยากอยู่มันก็ไม่อยู่อยู่ดีเมื่อถึงเวลาที่มันจะตายมันก็จะตายแต่มันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีสมาธิความสงบของใจใจจะไม่ทุกข์กับความตายเวลาที่จะต้องเจอกับความตายเพราะใจจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากที่จะอยากที่จะสามารถละความอยากไม่ตายได้คือยอมตาย ที่เรามักจะได้ยินคาว่าปรงกันถ้าปรงได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กันปรงอ น, นิจจังก็คือยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายจะปรงได้ก็ต้องเป็นต้องเป็นใจที่สงบใจที่มีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิตันหาความอยากมันจะไม่ยอมให้ปรง แต่ถ้าใจมีสมาธินี้ตันหาความอยากถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาฝืนความจริงได้ฝืนปัญญาของพระพุทธเจ้าได้นี่คือปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาที่มีความสงบเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นหลังจากที่ได้ยินได้ฟัง ทำได้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วขั้นที่สองก็ให้นําเอาไปค่ายครวนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วก็ควบคู่ไปกับ ก, บการทําใจให้สงบสลับกันไปเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องคิดอะไรให้อยู่กับคําบราลรคำพุทโธพุทโธไปหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกไปให้ใจสงบ ให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้ได้เมื่อใจรวมเป็นหนึ่งตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุบเบกขาแล้วใจก็จะมีกำลังเพราะตอนนั้นตันหาความอยากจะถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้พอออกจากสมาธิมาก็ให้มาเจริญปัญญาให้พิจารณา ให้เจริญจินตามิยปัญญาต่อไปว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์เวลาที่เจอความตายขึ้นมาใจก็จะได้รู้ว่าต้องยอมต้องไม่ไม่ฝืนความจริงเพราฝืนไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงอะไร เวลาจะตายนี้ไม่มีอะไรจะมายับยั้งมันได้แต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายหรือความไม่อยากตายนี้สามารถที่จะกาจัดมันได้ดับมันได้ด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าสงสอรให้มันพิจารณาอยู่เนืองๆพอมันพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะรู้ว่าเรื่องของความตายนี้เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะต้องตายสิ่งที่ต้องทําได้ก็เพียงก็คือให้ทําใจเท่านั้นให้ทําใจให้สงบให้ละตัณหาความอยากที่จะพยายามสร้างความทุกข์ให้แก่ใจขึ้นมาด้วยความหลงหลงคิดว่าการอยากจะอยู่นี้จะทําให้มีความสุขแต่ ความอยากจะอยู่นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งพอยอมพอยอมตายพอยอมรับความจริงว่าต้องตายแล้วไม่ฝืนไม่มีความอยากไม่ตายความสงบก็จะเกิดขึ้นมาใจก็จะปล่อยวางแล้วใจก็จะเย็นใจจะสงบใจจะสุขสุขในขณะที่ตาย นะสุขในขณะก่อนตายถ้าป่งได้แล้วร่างกายจะอยู่ต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรื่องของการอยู่การตายของร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของใจแต่อย่างใดเรื่องของใจอยู่ที่สุขหรือทุกข์สุขเพราะเกิดพรดับความอยากต่างๆได้ทุกข์เพราะว่า มีความอยากต่างๆนี่เรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายนี้เป็นคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายนี้เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายส่วนเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องของสุขหรือทุกข์ออยากหรือไม่อยากถ้าอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เอามาแก้ปัญหาของร่างกาย คือปัญหาของของการเกิดแก่เจ็บตายคือร่างกายเกิดมาแล้วนี้ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้จะห้ามไม่ให้จิตมากลับมาเกิดใหม่ได้เพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และเวลาร่างกายตายไปความอยากจะอยู่ก็จะทำให้ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ต้องไปไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกแต่ถ้าไม่อยากอยู่พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะปล่อยให้ร่างกายตายไปพอปล่อยได้แล้วความทุกข์ในใจก็ไม่มีแล้วพอร่างกายอันนี้ตายไป ก็จะไม่ไปเกิดใหม่จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพราะความอยากอยู่ไม่มีความอยากอยู่ก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ไปเกิดใหม่นั่นเองก็จะไม่มีเมื่อไม่มีก็จะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายปัญญาของพระพุทธเจ้านี้ก็จะแก้ปัญหาของเรื่องของร่างกายได้ แต่ไม่ใช่ร่างกายปัจจุบันที่เรามีอยู่ร่างกายปัจจุบันที่เราไม่อยู่นี้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปเปลี่ยนความไปเปลี่ยนให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ไปทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ได้แต่จะเปลี่ยนร่างกายที่จะมาเกิดใหม่ได้ก็คือจะทาให้ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่มา เพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วละความอยากในร่างกายได้แล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่หน้าที่ของปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มีหน้าที่ไว้ดับทุกข์ภายในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรกันเราทุกข์เพราะเราคิดว่าร่างกายมัน แก่มันเจ็บมันตายเราก็เลยไปแก้ที่ร่างกายแทนที่จะแก้ที่ใจเราไปแก้ที่ร่างกายเวลาเห็นร่างกายแก่ก็พยายามที่จะชะลอมันด้วยวิธีการต่างๆผมหงอกก็หาสีมาย้อมหนังเหี่ยวก็หาวิธีดึงให้มันตึงออกกำลังกายพยายามทำอะไรให้รู้สึกว่ายังไม่แก่ แต่ก็ทำได้เชื่อระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วไหนที่สุดมันก็ต้องแก่อยู่ดีพอถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบจะไปดึงหนังให้มันตึงอย่างไรมันก็ไม่มันไม่ตึงแล้วมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเป็นไปอย่างนี้คนที่มีปัญญาก็จะรู้ว่า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 วิธีจะหยุดก็ต้องสอนใจให้รู้อยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาหยุดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ได้เมื่อเห็นแล้วยอมรับแล้วก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย การที่จะหยุดความอยากได้นี้ต้องทำใจให้สงบนิ่งให้ได้เพราะว่าถ้าใจไม่สงบไม่นิ่งนี้ตัณหาความอยากมันก็จะไม่นิ่งมันจะไม่สงบตามดึงต้องซ้อมต้องฝึกทำใจให้สงบสลับกับการพิจารณาทางปัญญาไปเวลาเวลาทำใจให้สงบนี้ก็ไม่ต้องพิจารณา ไม่ต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายให้จิตตั้งอยู่กับการมใดาอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้รวมจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้คือจะใช้พุโทโธก็ได้หรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลานั่งสมาธิก็บริกรรมพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจหายไปเลยก็รู้ว่าหายไปให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปตื่นตะนกเวลาที่ ลมหายใจมันหายไปเพราะจะเกิดความวิตกเกิดความกลัวขึ้นมาสําหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและไม่รู้ว่าเวลาจิตสงบนี้ลมหายใจนี้เหมือนกับจะหายไปมันจะหายไปก็ให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันหายไปเพราะว่าเป็นเวลาที่จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบนั้นเองถ้าสักแต่ว่ารู้ไปแล้วจิตก็จะ รวมลงไปแล้วก็จะสงบแล้วก็จะมีความสบายใจมีความสุขมีอุเบกขาเมื่อเราอยู่ในสมาธินั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามความต้องการของใจไม่อย่าไปดึงอย่าไปถอนใจออกมาพิจารณาทางปัญญายังไม่ใช่เวลาที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเวลานั้นเป็นเวลาจเจริญสมาธิ เวลาใจเนี้งนี้เป็นเวลาที่ใจต้องการพักผรอนหรือใจกำลังรับประทานอาหารอาหารของใจก็คือความสงบถ้าได้รับประทานมากเข้าไปเท่าไหร่ใจก็จะมีความอิ่มความปอมากไปเท่านั้นมีความอิ่มความพอมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ตันหาความอยากมีกำลังน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีกำลังเหลืออยู่เลย นี่คือประโยชน์ของสมาธิเป็นสิ่งที่จะมา ส, สนับสนุนปัญญาเวลาที่ไปเผชิญกับตันหาความอยากต่างๆก็สามารถเอาสมาธิคือความสงบนี้ออกมาสู้กับตันหาความอยากได้แล้วก็จะสามารถละลืดดับตันหาความอยากได้ ถ้าดับตัณหาความอยากได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากได้พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหมั่นสอนใจต่อหมั่นเจริญปัญญาต่อเรียกว่าจินตามัยปัญญาใกล้ควรพิจารณาสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆก็คืออนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอทุกขัง ความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะให้สิ่งต่างๆเป็นของใจไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นของใจไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันหรือความอยากของใจให้สิ่งต่างๆนั้นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนไปตามการตามเวลาของใหม่ก็จะเริ่มกลายเป็นของเก่าไปจะให้เป็นของใหม่ไปเรื่อยๆจะให้ดีเหมือนของใหม่ไปเรื่อยๆย่อมเปล่นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนไปจากใหม่ก็จะกลายเป็นเก่าพอจเจริญแล้วก็จะต้องเสื่อมพอเกิดแล้วก็จะต้องดับไป ให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อใจจะได้ไม่เกิดความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นเทียงแท้แน่นอนไม่ดับไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะใจจะไม่ได้อยากให้เป็นของเราไปตลอดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องเป็นกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปในที่สุดสักวันหนึ่งหรือกลายเป็นของคนอื่นไป บังทีอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาสกันเกิดความาไม่พอใจกันก็เลยต้องแยกทางกันก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้ววันนี้เป็นของเราแต่พอทะเลาะกันพ่งนี้ก็แยกทางกันเดินพุ่งนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไป อ, อันนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่าง เพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะได้ไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปเสมอไปนั่นเองเวลาไม่เป็นไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาแต่เวลาที่ไม่มีความอยากให้เขาเป็นตามความต้องการของเราเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน แล้วถ้าเรามีความสงบเราก็จะสามารถทำใจได้ปล่อยวางความอยากได้แต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้ความอยากมีกำลังมากเราจะสู้ปัญญาจะสู้ความอยากไม่ได้สอนอยังไงสอนว่าไม่ว่ายัางไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากมันก็ยังอยากจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่นั่น พอมันมีความอยากขึ้นมามันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญการพิจารณาทำไปสลับกับการทำใจให้สงบไปเพราะว่าถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสองส่วนเราก็จะได้ภาวนามายปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเราก็ไปเอา สุดะมัจยปัญญามาจากพระพุทธเจ้าก่อนฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญาให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าสภาวธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าร่างกายของคนทุกคนนี้ไม่สวยไม่งามเพราะร่างกายนี้มีส่วนที่ไม่ดูไม่น่า ไม่น่าชมที่ถูกปกปิดหุ้มหอไว้ด้วยผิวหนังหรือที่ถูกปกปิดด้วยการเสริมความงามด้วยวิธีต่างๆต้องพิจารณาดูเวลาที่ไม่มีการเสริมความงามว่าดูว่าเราน่าดูไหมแล้วพิจารณาดูเวลาที่เขาตายไปแล้วเป็นอย่างไรดูเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไร ือเวลาที่เขาแก่แล้วเป็นอย่างไรนี่คือการดูสภาพของร่างกายที่ไม่น่าดูดน่าชมที่ไม่มีใครอยากจะดูกันเพราะกิเลส ข, ของใจทุกคนไม่อยากจะดูภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายอยากจะดูแต่ภาพที่น่าดูของร่างกายพอดูแต่ภาพที่น่าดูก็เลยเกิดตัณหาความอยากเกิดกามลากามลาคะขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์กับการต้องไปหาร่างกายของผู้อื่นมาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขแล้วก็จะต้องทุกข์กับร่างกายของผู้ครองเวลาที่เขาจากเราไปเวลาเขาไม่ได้อยู่กับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเหงาว้าเวต้อง ถ้าเสียคนนี้ไปก็ต้องไปหาคนใหม่มาอยู่ก็ต้องหาไปเรื่อยๆลายไปก็ต้องกลับมาเกิดมาหาใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของตันหาความอยากถ้ามีอยู่ในใจถ้ายังไม่ได้รับ ก, รการกำจัดมันจะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้ใจนี้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจึงต้องกำจัดตันหาทุกรูปแบบนะความอยากทุก ทุกชนิดเราต้องกำจัดมันให้หมดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องกำจัดมันความอยากในร่างกายก็ต้องกำจัดมันความอยากในร่างกายของผู้อื่นก็ต้องกำจัดมันด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาด้วยการพิจารณาอสุภะอันนี้ก็จะทำให้เราตัดปัญหาเรื่องของการที่จะมา มีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาร่างกายของคนอื่นมาให้ความสุขกับตนอันนี้เป็นขั้นของปัญญาที่จะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็สลับกับการทำสมาธิทำใจให้สงบเพื่อตัดกําลังของตัณหาความอยากให้มันไม่มีกําลังที่จะต่อต้านปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ ถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาถึงจะทำลายความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาความอยากได้ปัญญาที่เกิดจากสุตตะการได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่มีกำลังพอปัญญาที่เกิดจากการค่าควรพิจารณาก็ยังไม่มีกำลังพอถ้าไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาที่ค่ายควรอยู่เรื่อยๆนี้ จะสามารถใช้มาใช้มาตัดตัณหาความอยากฆ่ากิเลสตัณหาได้อย่างง่ายดายึงน้องจเจริญทั้งสองอย่างสลับกันไปจเจริญทั้งปัญญาจเจริญทั้งสมาธิสลับกันไปเวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัตินี้การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายระดับมีหลายเรื่องด้วยกัน เราอาจจะรู้เรื่องของร่างกายแต่เรายังไม่รู้เรื่องของเวทนายังไม่รู้เรื่องของจิตนะแต่การปฏิบัตินี้จะไปรู้ทั้งหมดเลยทีเดียวมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือเวลาเราอยู่ชั้นป .1 เขาก็จะสอนความรู้ในระดับป .1 ไปก่อนเพื่อเป็นบันไดเพื่อส่งให้ขึ้นสู่ความรู้ระดับป .2 แล้วก็เรียนรู้ไป ขึ้นระดับปสามปสี่ไปปัญญาก็เป็นเหมือนความรู้ที่เป็นขั้นๆก็ต้องรู้ไปทีละขั้นไปก่อนแล้วนำไปปฏิบัติให้ได้เมื่อสอบผ่านแล้วก็ได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปปัญญาก็เป็นในลักษณะนั้นปัญญาเบื้องต้นก็เกี่ยวกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองลาบยศสเสริญสิ่งที่เรามีครอบครองไว้ภายนอก บุคคลต่างๆสมสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี่เป็นของภายนอกที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าเป็นไจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ก่อนถ้าเราปล่อยวางของภายนอกได้แล้วเราถึงค่อยมาปล่อยของที่อยู่ใกล้ตัวเราต่อไปก็คือมาปล่อยร่างกายของเรามาปล่อยเวทนาความเจ็บของร่างกายแล้วก็มาปล่อย ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจความทุกข์ของใจมันปล่อยไปเป็นขั้นๆไปแล้วการเรียนนี่ก็ต้องเรียนกันเป็นขั้นๆครูบาอาจารย์ก็ยังมีความจำจำเป็นเสมอการฟังเทศฟังธรรมที่เรียกว่าสุตะมยปัญญาก็ยังมีความจําเป็นเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ธรรมที่เรายังไม่ได้เรียนรู้มาก่อน พอเราผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วเราก็อยากจะเรียนรู้ทำขั้นที่สองว่าเป็นอะไรวิธีจะปฏิบัติกับทำขั้นที่สองนั้นปฏิบัติอย่างไรพอเราผ่านขั้นที่สองเราก็อยากจะเรียนรู้ขั้นที่สามต่อไปถึงแม้ว่าท่านจะสอนเราตลอดขั้นที่หนึ่งถึงขั้นสูงสุดแต่เวลาเราฟังนี้เราจะเข้าใจแต่ปัญญาที่เราอยู่ในขั้นของเรา ถ้าเรายัางอยู่ขั้นที่หนึ่งนี้เราจะเข้าใจเพียงแต่ปัญญาของขั้นที่หนึ่งเท่านั้นถึงแม้ท่านจะพูดขั้นที่สองขั้นที่สามหรือขั้นที่สี่เราฟังเราก็จะไม่เข้าใจเราก็จะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังแลวเราก็จะลืมไปเราจะจำได้แต่ขั้นที่เราเข้าใจเท่านั้นสิ่งใดที่เราเข้าใจนี้มันจะฝังอยู่ในใจของเราแต่สิ่งที่เราไม่เข้าใจนี้ พอฟังแปบเดียวมันก็หายไปอดังนั้นเวลาเราปฏิบัตินี้เราจึางต้องมีสุตตะมัจยปัญญามีจินตามัจยปัญญาคอยสง่งคอยสง่งคอยเสริมให้ไปสู่ภาวนามะมัจยปัญญาเป็นขั้นๆไปพอขผ่านปัญญาขั้นที่หนึ่งเราก็ไปฟังสุตตะมัจยปัญญาขั้นที่สองสุตตะแล้วก็เอามาไข้ควรเป็นจินตามัจยปัญญาขั้นที่สอง เ้วก็เอาไปเข้าห้องสอบไปไปไปเจอตันหาความอยากที่สร้างความทุกข์ของความทุกข์ระดับที่สองนี่แล้วเราก็ใช้ปัญญามยะปัญญาระดับที่สองนี่มาล ง, งับมาดับมันไปนการปฏิบัติปัญญาทั้งสามขั้นก็จะทั้งสามสามชนิดนี้คือสุตตะเมยพปัญญาจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญานี้ ก็ยังมีความต่อเนื่องกันมีความเป็นเป็นที่จะต้องมีอยู่เรื่อยๆผู้ใดผู้ปฏิบัตินี้ถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นสูงสุดนี้ยังต้องฝังธรรมอยู่เรื่อยๆเช่นพระปัญจวัคคีตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสัตวแล้วนั่งสงมาโปรดพระปัญจวัคคีสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สแสดงธรรมเพียงครั้งเดียวให้กับพระปัญจวัคคี พอการแสดงธรรมขั้นแรกท่านก็แสดงธรรมระดับขั้นโสดาบันนะพอเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็บรรลุเป็นโสดาบันได้พระพุทธเจ้าหลังจากเห็นว่าเขาบรรลุขั้นโสดาบันได้แล้วก็สอนทำขั้นที่สองขั้นอกัรสกิรดาคามีขั้นอนาคามีต่อไปตามลําดับแล้วพอเห็นว่าเขาผ่านถึงขั้นที่สี่ได้ก็ทรงสอนอทำขั้นที่สี่ต่อไป ขั้นที่สี่ท่านก็สอนอนัตตลักษณะสูตรว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสพเพธมาอนัตตา ล, ลูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนิสอนัตตาเวทนาเอววญญานางอนัตตาพอสอนว่าขันห้าเป็นอนัตตาพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ปล่อยวางหมด ปล่อยวางหมดท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาสามขั้นที่จะต้องอมีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการปฏิบัติไปเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ศึกษาจบพระไตรปิฎกแล้วค่อยไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็จําอะไรไม่ได้เลยความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมานี้ มันไม่รู้ว่าจะเอาไปใช่อย่างไรเรียนจบพระไตรปิฎกมารู้ทั้งทานรู้ทั้งศีลรู้ทั้งสมาธิรู้ทั้งปัญญาแต่พอมาปฏิบัตินี้ไม่รู้ว่าจะทําตรงไหนก่อนจะเริ่มที่ตรงไหนดีแต่ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเป็นขั้นๆว่าขั้นที่หนึ่งนี้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทํำอะไรเมื่อรู้แล้วก็เอาไปทำํำ ขั้นที่หนึ่งก็คือให้ฝึกให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆสลับกับการพิจารณาอาอนิจจังทุกขังอนัตต า, าหรือถ้ายังไม่พิจารณาไม่เป็นก็เอาแต่สติเพียงอย่างเดียวก่อนคอยควบคุมจิตใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออก หรือให้บริกรรมพุทโธเพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งออกมาจากสมาธิก็มาพิจารณาร่างกายกันพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ทุกทำให้ใจทุกเพราะว่าใจไปอยากกับอยากให้ร่างกายเที่ยงนั่นเองไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากไปจนตายมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดี เปลี่ยนความจริงไม่ได้แล้วก็ทุกไปเปล่าๆอย่าไปทุกให้มันเสียเวลายอมรับความจริงดีกว่ายอมรับว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอยอมรับได้ใจก็จะหายทุกจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายไปอันนี้ก็จะเป็นภาวนามายปัญญาไป ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆของใจได้ถ้าดับความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่มีตัณหาความอยากที่จะเด็มให้ใจไปเกิดใหม่ได้อีกต่อไปภพชาติก็จะหมดไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปจิตก็จะตั้งอยู่ในความสงบไปตลอดจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบ ที่มีแต่ความสุขก็เรียกว่าพาพนิพานนี่เองจิตก็เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นชื่อของจิตก็ได้นิพ า, านนี้ magical. ไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่เราคิดกันแม้แต่สวรรค์นี้ก็ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพความรู้สึกของจิตนั่นเองสวรรค์ก็มีความสุขหลายระดับหลายชั้นด้วยกันความสุขแต่ละระดับก็เป็นสวรรค์แต่ละระดับนั่นเอง ความสุขที่ถาวรความสุขที่สมบูรณ์ความสุขที่ไม่เสือ่อมก็เป็นนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานก็ไม่ได้เป็นที่สถานที่ก็เป็นที่จิตดวงนั้นแหละจิตดวงที่กำลังจิตดวงที่เคยเวีนว่ายตายเกิดจิตดวงที่เคยทุกข์กับเรื่องนั่งเรื่องต่างๆพอได้กําจัดตัณหาความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจให้หมดแล้วจิตนั้นก็ จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่จิตที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ก็เรียกว่านิพพานนั่นเองไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นจิตดวงเดียวกันเหมือนกับเสื้อผ้าชิ้นเดียวกันเสื้อตัวเดียวกันเสื้อที่สกรปรกเวลาไปซักให้มันสะอาดมันก็ยังเป็นเสื้อตัวเดียวกันอยู่เพียงแต่เราไม่เล่เรกเสื้อตัวนั้นว่าเสื้อสกรปรกแล้วเราเรียกเสื้อตัวนั้นว่าเสื้อสะอาด ชั้นใดใจที่สะอาดเราก็เรียกว่านิพพานใจที่ยังไม่สะอาดใจที่ยังมีกิเลสมีตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอะไรต่างๆอยู่เราก็ไม่เรียกว่านิพพานเราเรียกว่าเรียกว่าใจตามลําดับของเขาถ้าเป็นใจสงบระดับพรมเราก็เรียกว่าพมถ้าใจที่มีความสงบระดับเทพเราเรียกว่าเทพ ถ้ามีความสงบระดับมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์ถ้ามีความวุ่นวายระดับเดรัจฉานเราก็เรียกว่าเดรัจฉานมีความหิวโหยระดับเปรตเราก็เรียกว่าเปรตมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนจิตใจระดับนรกเราก็เรียกว่าสัตว์นรกมันก็เป็นใจดวงเดียวของดวงเดียวกันนี่แหละมันเป็นสวรรค์มันเป็นนรกมันสงบหรือมันไม่สงบมันวุ่นวาย หรือมันสุขหรือมันทุกข์ก็เป็นใจดวงนี้ดวงเดียวกันะแล้วสถานภาพของของใจที่เป็นอยู่ในสถานภาพเขาก็ให้ชื่อกันต่างกันไปเป็นเท่เป็นพรมนี้ก็เป็นสถานภาพของใจที่มีความสุขมีความสงบเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นสถานภาพของใจที่มีความสุขที่ถาวรตามลําดับ พระอุตามันก็มีความสุขที่ถาวรในระดับหนึ่งพระสติกานางคามีก็มีความสุขความสงบอีกระดับหนึ่งพระอรหันต์ก็มีความสุขความสงบที่ถาวรอีกระดับหนึ่งพระอริยบุคคลนี้ความสุขของท่านนี้เป็นความสุขที่พอได้มาแล้วจะไม่เสื่อมไม่เหมือนกับความสุขของพรมหรือของเทวดาที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปเสื่อมแล้วก็ต้อง กลับมาอยู่ในระดับของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่หรือลงไปใหม่แล้วแต่บุญหรือบาปที่ทำไว้อันไหนจะมีมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะส่งไปสวรรค์ไปที่สูงไปที่มีความสุขถ้าบาปมีมากกว่าก็จะเดึงจิตให้ลงไปสู่ที่ต่ำให้เป็นเดรชานให้เป็นเปรตให้เป็นนรกไป อยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละดวงใครแล้วก็เป็นจิตของใครของมันไม่มีใครที่จะมาทำจิตของคนอื่นให้สะอาดบริสุทธิ์หรือให้เป็นเปรตให้เป็นอะไรได้เจ้าของของจิตแต่ละดวงนั่นแหละเป็นผู้ทำจิตของตนเองเราเป็นเราเป็นผู้ทำตัวของเราเองให้เป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ให้เป็นสัตว์เดลฉานให้ไปตกนรกก็ได้อย่างพระเทวทัตนี่ ถึงแม้จะได้บวชได้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไปถึงพระนิพพานได้เพราะว่าไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนกลับไปทำตามความอยากตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขอพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงสงแทนพระพุทธเจ้าพอถูกปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาจนถึงกับพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง ความความการกระทำนี้เรียกว่าเป็นอันอันตระยะกรรมเป็นการกระทาบาปที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระศีลของพระนี้ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องบาปกรรมอันนี้ได้ถ้าลองทำถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องไปตกนรกเพียงอย่างเดียวพอตายไปก็เลยต้องไปตกนรกตัวเองเป็นผู้ทำตัวเองให้ไปให้เป็นนรกขึ้นมา ถึงแม้จะอยู่กับพระพุทธเจ้าที่ใจของพุทธเจ้าเป็นนิพพานแต่ใจที่ของใจที่เป็นนิพพานของพุทธเจ้านี้ก็ไม่สามารถที่จะมาทําใจของเทวทัตให้เป็นนิพพานได้เทวทัตจะต้องทําใจของตนเองให้เป็นนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงทพยากรณไว้ว่าหลังจากที่พระเทวทัตได้ไปใช้หมดกรรมในนรกแล้วก็จะกลับมา เป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ตัดสิรู้เป็นพระปฏิเจกะพระพุทธเจ้าต่อไปพ ร, พระเทวทัตก็ต้องทําใจของตอนเองให้เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าทําใจของพระเทวทัตให้เป็นนิพพานไม่ได้เลยจะทําให้ใจเป็นนรกก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระเทวทัตไม่ทําบาปก็ไม่มีวันที่จะเป็นนรกได้เป็นเรื่องของเ อ, อกรรมไข่กรรมหมันะ เกิดมาแล้วต้องต้องทกรรมของตนเองทำบุญก็จะได้ผลของบุญทำบาปก็จะได้ผลของบาปาการที่เรามาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าการทำบุญทำบาปนี้มีผลต่อจิตใจของเราเรากลับจะไปมองถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับเราก็จะไม่คำนึงถึง ประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราเราอยากรวยเราอยากใหญ่โตเราก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้โดยวิธีไม่ทำบาปเราก็จะไปทำบาปกันเพราะทำบาปแล้วเราก็กลายเป็นเดรัจฉานไปกลายเป็นสัตว์นรกไปกลายเป็นเปรตไปเพราะการกระทําของเรานี้เป็นตัวที่จะทำให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็น ไปต่างๆน า, นานาอย่างที่มีสุภาษิต ท, ที่ทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกันไปนกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่เองทางใจก็คือความคิดทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทำทางร่างกายถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะดีใจก็จะสะอาดขึ้นไปตามลาดับ ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใจก็จะเศร้าหมองใจก็จะสโปรกลงไปตามมากขึ้นไปตามลําดับแล้วก็จะตกต่ําลงไปใจสโปรกใจไม่สะอาดก็จะไปสู่อบายใจที่สะอาดก็จะไปสู่สุขติไปสู่พบของเทพบของพรหมพบของพระ อ, อริยะเจ้าและไปถึงพันิพาณในที่สุดอยู่ที่กรรมคือการกระทําของ ดวงจิตดวงใจแต่ละดวงโดยอาศัยความรู้ที่ได้ยินจากใจของผู้ที่บริสุทธิ์มาก่อนเช่นถ้าเราได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคำสอนของใจของพระพุทธของใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าการที่เราจะไปสูงไปต่ำนี้อยู่ที่การกระทาของเราอยู่ที่การอยู่ที่การคิดการพูด การกระทำทางร่างกายของเราไม่ได้อยู่ที่ใครแต่การได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะเราถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเราจะไม่รู้ว่าการคิดดีพูดดีทำดีนั้นทำอย่างไรเราก็จะทำไปแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกซึ่งส่วนใหญ่เราจะถูกอานาจของความหลงหลอกให้เราไปทำไม่ดีมากกว่าไปทำดี แต่พอมาเจอพระพุทธเจ้ามาเจอคำสอนของผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็จะสอนพวกเราให้รู้ว่าการทาดีการคิดดีการพูดดีนั้นทาอย่างไรและถ้าเราเชื่อแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลที่ดีเราก็ได้ใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ได้รับมานี่ก็คือการฟังทำ ก็เรียกว่าสุตตามายาปัญญาเมื่อฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาไปเตือนใจไปสอนใจให้คิดดีพูดดีทำดีถ้าในระดับปัญญาก็ให้พิจารณาความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงเช่นร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไปยึดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะอยากให้อยู่กับเรามันก็จะทาให้เราทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงแล้วเราก็ปล่อยมันไปตามความจริงของมันเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่ไม่อยากให้มันให้มันเที่ยงอะไม่อยากให้มันเป็นของเรา <exploration> <imiz a. S 1> เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจของเราก็จะกลายเป็นนิพพานไปเวลาใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้ว ใจก็จะสะอาดบริสุดธิ์ปราศจากความทุกข์ต่างๆนี่คือเรื่องของการที่เรามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปตรายตรองไปเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราได้นาเอาไปปฏิบัติเมืนะ่อเราได้ปฏิบัติได้กาจัดความความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเรา ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อหลุดพ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมีเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเราก็จะอยู่กับความสุขไปโดยตลอดเพราะความสุขที่ปราศจากตัณหาความอยากนี้จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปจึงขอให้พวกเราหมั่นพยายามฟังเทศฟังธรรมเพื่อสร้างสุตตมยปัญญาขึ้นมา เมื่อได้ฟังทำแล้วก็ขอให้นำเอาไปค่ายควรพิจารณาเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เป็นภาวนามยปัญญาต่อไปเมื่อมีภาวนามยปัญญาแล้วกิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะถูกทำลายไปจนหมดสิน้นจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพันิยผ่านขึ้นมาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปวะวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทิคาโยโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติ อายโยวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความถามอยากจะถามก็ขอให้ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาต่อไป ดังนั้นใครอยากจะมีอะไรมาถามมาพูดมาเล่าให้ฟังก็ขอเชิญได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาอ่านการนักสักการะอาจารย์ครับก็ขออยากมาถามอีกครับก็คืออยากมีปัญหาสงสัยครับคือปกติผมนั่งสมาธิเนี่ยก็จะนั่งในห้องเยี่ยมๆครับนั่งที่บ้านเนี่ย แต่วันนี้คือมามีโอกาสมานั่งฟังสรรมะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยอครับก็สงสัยว่าคือเวลาจิตมันเป็นสมาธิไปแล้วอ่ะครับแต่ว่าพระอาจารย์นงเทสอยู่เนี่ยมันมีเสียงมาเนี่ยครับแต่พอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเสียงมันมากระทบในสมาธิเราแต่ว่ามันสักแต่ว่าได้ยินแต่ว่ามันไม่ได้กรบต่อสมาธิครับมันถูกรึเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วการ็นสมาธิมันต้องไม่ได้ยินเลยครับเออกระเบนเนี่ยทั้งสองอย่างครับถ้ารวมลึกๆก็จะไม่ได้ยินเลยครับถ้ายังไม่ลึก แต่เจ็ก็เป็นกลางไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้ยินก็ถือว่าเป็นสมาธิอีกอบแบบหนึ่งครับก็เมื่ออย่างเช่นฟังไม่แย่ฟังพระอาจารย์เทศมาเสียงมันมากระทบแต่ว่าสติก็ยังเป็นสมาธิยังมีความสุขอยู่กับสมาธิอยู่คือ ม, ม, มันไม่ได้แบบมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้สมาธิเรารู้สึกแบบว่าคิดไปตามครับคือไม่ได้คิดตามที่พระอาจารย์พูดแต่ว่ามันก็อยู่กับองค์สมาธิของเราครับอ ครับก็เลยสงสัยว่าอย่างนี <çon> ้ม <ra> ันคือสมาธิหรือเปล่าครับก็เป็นสมาธิถ้าใจเราเฉยไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้สักแต่ว่ารู้ก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะเราต้องการฝึกใจให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็จะได้สอนให้ใจให้สักแต่ว่ารู้ไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้นี่คือการฝึกจิตเบื้องต้นก็พยายามหา หาจุดที่มันเป็นกลางมันไม่มีอารมณ์กับอะไรแล้วพยายามรักษาให้มันอยู่ในจุดนั้นต่อไปด้วยสติด้วยปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลาที่ไปสัมผัสรับรู้อะไรเวลามันจะออกจากจุดนั้นก็ใช้สติใช้ปัญญาดึงมันกลับเข้าไปตั้งอยู่ตรงจุดนั้นให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆเช่นพอได้ยินเสียงใครดา่าก็จะออกไปตอบโต้ก็ดึงมันกลับมาบอกอย่าไปตอบโต้ให้สักแต่ว่ารู้แล้วจะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเขาด่าแล้วเราเรากลับไปดา่าเขากลับเดี๋ยวก็ตีกันตายไปในที่สุดเข้าใจไหม <Okay. S 1> เข้าใจนะนั้นพยายามทําบ่อยๆทํามากๆ ม, มันจะได้ดึงใจให้อยู่ในจุดนั้นได้ง่ายถ้าทําน้อยนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดียวมันก็ลืมนะเดี๋ยวมันก็พอใครมาพูดอะไรไม่ถูกใจก็จะตอบโต้ไปทันที ถ้าเราฝึกใจให้เป็นกลางอยู่เรื่อยๆแห้มันอยู่ตรงจุดนั้นอยู่เรื่อยๆไม่มีอารมณ์กับอะไรพอใครมาพูดอะไรถึงแม้ว่ากิเลสมันยังไม่ตายมันอยากจะออกไปตอบโต้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาดึงมันกลับเข้ามาได้ถา้าอยู่เฉยๆดีกว่าสักแต่ว่ารู้ดีกว่าไม่มีเรื่องไม่มีราวตบมือข้างเดียวไม่ดำครับก็เมื่อก่อนเปคนใจร้อนแต่พอฝึกสมาธิครับมันก็เปลี่ยนไปเยอะคือ เดีย๋ยวนี้มันใจมันเย็นขึ้นเยอะมากๆแล้วคือแทบไม่รู้แับใครมาว่าอะไรถ้าตอนมันก็แทบไม่รู้สึกแล้วอ่ะครับใช่ก็คําว่าสมาธิก็คือใจเย็นครับทำมากๆใจก็ยิ่งเย็นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นน้ําแข็งเลยพระอาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้ครับคือนั่งแล้วมันเข้าสมาธิได้ครับคือเพราะใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงใจเราเจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวครับพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยคื อ, ค, อคือพระอาจารย์เทศเสร็จอ่ะครับ หลังจากพระชาพรจิตก็ไม่มันมันก็ไม่อยากออกมาอยากอยู่ตรงนั้นต่อครับก็มันยังไม่อิ่มตัวไงก็ปล่อยมันอยู่เงินต่อไปครับแล้วคนนี้แบบคนเขาไปห้องน้ํำอะไรเงี้ยเขาก็เสียงดังผมก็ไม่รู้สึกอะไรคือจิตก็ยังเป็นสมาธิอยู่แต่ว่าคราวนี้ยเพื่อนเขาเตรียมของมาทางกระทางผมก็ต้องพยายามแบบคิดคิดคิดให้มันสลายครับอคือมันแบมันเข้าไปแล้วมันจะออกมันก็ออกออกมายากเหมือนกันครับสมาธิครับมันถูกป่ะครับถูกถถ้ามันสงบแล้วมันก็จะไม่อยากออกมาถ้าไปลากมันออกมาคราวหน้าจะ มันก็จะยากกับการดึงเข้าไปงั้นเวลาท่านสอนว่าเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปดึง <c oughs> อย่าไปลากมันออกมาให้มันออกมาของมันเองไม่งั้นเขาต่อไปจะเข้าไปยากเมื่อกี้ก็เนี่ยพยายามดึงมันออกครับคือพยายามนางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้มันจำเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องออกมาก็ต้องออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ให้ให้ให้รู้ไว้ว่าถ้าไม่จาเป็นจะต้องออกมาก็อย่าออกมาปล่อยให้มันออกมาเองจะดีกว่า อ๋อคือมันเหมือนเหมือ น, น, นกับว่าเหมือนเราเข้าไปเหมือนเร่าว้าวิธีมบนเราต้องถ้อยดึงให้มันตกลงมาอางี้ครับคำอูมันติดลมบนแล้วไงครับพาจังครับแล้วอ่าจะถามอะไรลืม <laughs> <laughs> ครับก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังได้ก็ถามใหม่ครับคห้คนอื น, นก็ถามก่อยก็ได้ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกรณีที่เรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกแล้วและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแต่บางครั้งจะไปเที่ยวกลางคืนบ้างเช่นคาราโอกเกะอาบอบนวดพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าผิดธรรมะ ก, การคองเรือนหรือไม่ครับก็ถ้าไปเสพการไปเริ่มหลับนอนกับคนอื่นก็ถือว่าเป็นพูดผิดประเวณีเพราะว่าผู้ที่มีภรรยามีสามีแล้วจะต้อง สื่อสัตว์จะ ต, ต้องอยู่กับคู่ครองของตนเพีงคนเดียวไม่ใช่ไปแอบหาความสุขจากผู้อื่นอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลประพฤติผิ ด, ผดประเวณีถามต่ออ๋อครับได้จาได้แล้วครับคือผมจะถามว่าคือการตั้งสมาธิเราจะรู้ได้งไงว่าเราสงบเนี่ยแม้แต่เพราะว่าเรารู้ว่าสงบแล้วครับแต่ว่าเรารู้่าหลับสมาธิเราเนี่ยครับเรารู้จักลมหายใจได้ไหมครับคือคือถ้ามาสงบแล้วมันจะดับไปเลยสนิทไปเลยครับอันนี้มันคือ คือเป็นการเครื่องชี้วัดสมาธิหรือเปล่าครับว่าว่าเราจิตเราได้สงบแล้วครับเกอมันสงบเลิกก็ไม่เลิกไงถ้ามันสงบเลิกนี้ร่างกายลมหายใจนี่มันจะปล่อยมันจะหายไปหมดครับจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวครับส่วนสงบแบบไม่เลิกสงบแบบแบบยังรับรู้อยู่เช่นยังได้ยินเสียงยังรู้ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยู่แต่ไม่ไปอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วการที่ลมหายใจมันหายไปนี่มันก็เป็นสงบระดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่เวลาจิตสงบมันจะปล่อยวางลมหายใจมันก็เหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายเพิ่ม <c oughs> หายใจเฮือกสุดท้ายพอเจอตรงนั้นคนก็จะตกใจกลัวกันคิดว่าให้จะตายแล้วเนีย่ยวะก็เลยรีบถอนออกมาดึงใจให้ออกมาหาลมความจริงอยากไปถอนให้สักแต่ว่ารู้ว่าหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วจิต สบายแล้วจิตสงบแล้วจิตปล่อยวางลมปล่อยวางร่างกายแล้วครับก็ก็คือคือผมเคยลองพยายามทดสอบดูว่าเฮ้ยลองกั้นหายใจดูเงี้ยเทียบกับท่าสมาีิมันมันทําไม่ได้คือหแบบว่าเรากั้นได้แค่หนึ่งนาทีสองนาทีมันก็ไม่ไหวแล้วคือมันต้องการลมหายใจครัอแต่ว่าพ่าสมาธิอ่ะมันมันดับไปเลยคือดับเป็นชั่วโมงเงี้ยคือ มันยังหายใจอยู่เพียงแต่ใจไม่ไปรับรู้มันเท่านั้นครับคือมันไม่เห็นไม่ไม่เห็น ไ, หไม่ไม่ได้ไม่ไม่ดีไม่รู้ผึกถึงการกระทบของของลมเข้า<อ>ลมออกอ่ะอ่ามันก็ยังหายใจอยู่แต่มันอาจจะละเอียดหรือมันอาจจะหายใจช้าก็ได้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันหายใจอยู่หรือเปล่าแต่ไม่สําคัญอะ่ะเวลาจิตสงบแล้วมือนกม่เวลานอนหลับอ่ะเวลาเรานอนหลับเราก็ไม่สนใจ <c oughs> ว่าร่างกายหายใจหรือไม่หายใจใช่ไหมครับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันยังหายใจอยู่ แเวลานั่งอยู่ในสมาธิจิตมันร่างกายมันก็ยังหายใจอยู่ของมันอย่างนั้นนะไม่ต้องไปกังวลครับล่าลสุดผมไปกระถินมาคราวนี้ผมไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับท่านก็ท่านบอกว่าคือตรงนี้คือพยายามให้อยู่กับภายในครับก็คืออย่าอย่าไปส่งออกข้างนอกคือผมเคยไปส่งออกข้างนอกครั้งหนึ่งแล้วมันไปเห็นจักรวาลนะครับอย่างที่บอกมันมันท่านบอกมันผิดทางอื่นมันต้องกลับมา อยู่มันทะเลทะลายไงมันไปเที่ยวมันแต่ที่ให้พักผ่อนหลับนอนมันก็ไปเล่นเกมดูทีวีพอตอนเช้าตื่นไปโรงเรียนก็ไม่มีสมาธิจะไปเรียนหนังสือเข้าใจไเราต้องการให้จิตพักผ่อนพอออกมาจะได้ไปทํางานทางปัญญาต่อไปก็ถ้ายามให้มันอยู่ข้างในใช่ไหมให้มันอยู่นิ่งให้มันสัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆถ้ามันไปเที่ยวท่องจักรวาลไปนรกไปสวรรค์เดี๋ยวมันตื่นมันออกจากสมาธิมามันไม่มีแรง มันจะไม่อยากพิจารณาทางปัญญามันจะไปเที่ยวต่อไปหารูปเสียงกิเลสต่อครับไพศาลครับแล้วการฝึกสมาธิมันจำเป็นต้องมีลิฟต์ป่ะครับคือคือหมายเขาว่าคือตอนที่ผมเป็นพระอยู่เมื่อสี่ปีที่แล้วผมเคยนั่งสมาธิเข้าไปลึกเลยครับมันมีหูทิพมีอะไรเงี้ยครแต่ว่าผมก็ไม่ต้องการมันมันก็หายไปเอย่างครับคือมันจําเป็นต้องมีหรือว่าไม่มีอันนี้เป็นของแถมเลครับซึ่งเป็นขึ้นเป็นเป็นวาสนาของแต่ละคนอาจจะเป็นเพราะ ภพชาตินะทํถามไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดอะไรเป็นวาสนาภพชาติเรื่องเรื่องอภิญญานี้เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละคนบางคนจิตสงบแล้วก็เน่งเฉยเฉยไม่รู้อะไรซึ่งดีกว่าดีกว่าพวกที่มีวาสนาเพราะว่ามันจะทำให้เราไปทะเลทลายไปหลงทางไปติดมันครูบาถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลไป ความจริงมันไม่เป็นนักเป็นผลมันเป็นโนกียวิชามันเป็นวิชาทางโลกที่ไม่สามารถที่จะมาตัดพบชาติได้แต่มันกลับจะทำให้เราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปดังนั้นถ้าเรามีแล้วเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปตามรู้อย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดิงใจกลับมาให้สักแต่วรู้ให้อยู่กับความว่างเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่หายไปหรอกมันก็ยังเป็นอยู่ เรามันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งมายุ่งกับมันตอนนี้ขอให้เราบรรลุจัดงานที่เราต้องทําก่อน <c oughs> พอเราบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราก็มาเล่นกับมันได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกับพระโมกคัลลานะหรือพระพุทธเจ้าท่านก็มีฤทธิ์มีเดชแต่เวลาที่ท่านบําเพ็ญเพื่อเพื่อหลุดพ้นนี่ท่านไม่ไปยุ่งกับมันเลยท่านอยู่กับสมาธิที่สงบแล้วพอออกจากความสงบมาก็จเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียว จนสามารถตัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็เอาอิทธิฤทธิปาฏิหารินี้มาใช้ในการเผยช่วยเผยแผ่สั่งสอนก็ได้ครับก็คือนั่งสมาธิขอแค่ความสงบพอมไม่จำเป็นต้องไปมีบูมิฤทธ์ก็ก็ดีกว่าใช่ไหมครับใช่เออไอฤทธ์มันถ้ามันมีมันก็มีอยู่ของมันเพียงแต่ตอนที่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปไปเล่นกับมันไปใช้มันมา พราถ้าเราไปเล่นกับมันมันจะเราจะกลายเป็นคนรับใช้มันมันคือจะเป็นคนรับใช้ของกิเลสไปกิเลสจะใช้ลิศอิทธิลิศปาฏิหารินมาสร้างอํานาจให้กับกิเลสแทนที่จะมาฆ่ากิเลสกับกลายเป็นตัวมาเสริมสร้างให้กิเลสมันใหญ่โตขึ้นไปดันั้นอย่าไปยุ่งกับมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นเป็นเครื่องมือมันไม่เป็นมรรคมันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นสมาธิ มันเป็นเพียงแต่ความรู้สามารถความความรู้พิเศษเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สิ่งที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็คือสมาธิที่นิ่งที่สงบที่ว่างที่สักแต่วารู้เพราะมันจะทำให้จิตมีกำลังที่จะต่อสู้กับตันหาความอยากเวลาออกจากสมาธิมาก็จะสามารถ นำมาใช้ควบคู่กับปัญญาในการฆ่าตัณหาฆ่ากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจได้ท้ายต่าง<น>กับไอการที่เรานั่งสมาธิพุโทโธนะครับดรดูดนหัวใจเนี่ยครั บ, นรบจนลมใจมันดับไปเนี่ยมันก็ย่อมมีที่เลียนลึกกว่านั้นไปเยอะเลยใช่ไหมครับมันอันนี้มันแค่อนุบาลใช่ไหมครับที่ที่ได้ครับคือฌานนี่มันมีอยู่แปดแปดขั้นด้วยกันนะแต่ขั้นที่พอกับการที่จะนํามาใช้ในการวิปัสสนาก็ขั้นที่สี่คือฌานสี่ คือรูปฌปานขั้นที่สี่ส่วนน่รูปฌปานนี่ไม่จำเป็นมันก็ทำให้จิตละเอียดลึกเข้าไปสงบเลึกเข้าไปจะถึงขั้นนิโรธสมาบัติคือขันท์ทั้งหมดหยุดทำงานเต็มที่เลยมันก็มัน ก, มนก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้มันมีผลเท่ากัน ครับก็คือตรง น, นี้คือเราจะให้มันเรียนหรือตรง น, นี้ก็กทําได้นะก็คือต้องฝึกไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่บางคนเขาก็มีกําลังสติที่แรงมากเขาก็สามารถที่จะเข้าสู่อรูปฌานต่อไปได้จากรูปฌานสี่ก็เข้าสู่อรูปฌานสี่เข้าสู่นิโรธสมาบัติได้พวกหรือสีบางคนนี่เข้าไปในนิโรธสมาบัติได้ปีละสิบห้ า, นนาวันหรือเดือนหนึ่งอย่างนี้แต่มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากมันเป็นความสงบเท่านั้นเอง มันก็จะไม่ได้อะไรมากไปกว่านั้นสู้ออกสู้สู้อยู่ในฌานที่สีแล้วก็ออกมาหลังจากที่มันอิ่มตัวแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาจะได้ประโยชน์มากกว่าครับผมไม่วันที่ทํางานเนี่ยไม่เคยเข้าได้ครับแต่วันที่มาสบายๆอย่างวันเนี้ยมันเข้าได้ทุกครั้งเลยครับไม่รู้เพอะไรเพรว่ามันใจมันไม่เครียดมันใจมันไม่ได้อยากมากมันไม่ได้หวังอะไรมากครับเวลาปฏิบัตินี่มันหวังมาก พอคิดว่าทุ่มเทเวลาให้มันเต็มที่แล้วมันต้องได้สิพอมันคิดว่ามันต้องได้มันเลยไม่ได้พอเวลาเราไม่คิดว่าต้องได้เราคิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็ได้ครับมันหยุดกระตายสบายเนี่ยอย่งั้นเวลาปฏิบัติต้องสบายสบายอย่าไปคิดว่าต้องได้ต้องได้ถ้ามันคิดแล้วมันก็จะไม่ได้ต้องบอกได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีพุทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆก็แล้วกัน มันจะเกิดอะไรก็เกิดหรืฟังเทศไปก็ได้เนี่ยการฟังเทศก็ทําให้เจ็ดรวมได้เจ็ดสงบได้เหมือนกันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับาขออนุญาตน่อนนะครับผมไปขอว่าอาจารย์จะเรียนบวชไปเดือนกรุงพาถึงถึงกรุงพาไมนาเมษาครับแต่ท่านไม่รับบวชครับท่านไม่รับสึกด้วยครับท่านบอกให้พีบวชที่อื่นมาแล้วพี่จูบทานครับเอเพราะว่าท่านบวชแล้วท่านไม่อยากให้เสกแล้ว ใช่ครับวชรักษกย่าไปบวชน่ะเสียเวลาอยู่เป็นผ้าขาวดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปรบกวนพระไปทําพิธีกรรมแต่แต่ผมคือผมอยากบวชเพราะว่าเพื่อความโก๋เก๋มันหน่มหมผ้านหลแล้วมันมันเก๋กว่าหมผ้าขาวป่ะครับคือคิดว่าแบบมันบวชวันนั่นก็เป็นกิเลสเนี่ยใช่ครับก็จะได้แบบอยู่ในเพศคาราว่าจะได้แบบคิดว่าเองได้ปฏิบัติให้เต็มที่ครับ ไม่หรอกเป็นพระหรือเป็นกาละวานี้ก็บรรลุพระนิพพานได้ไม่ได้อยู่ที่เป็นพระหรือเป็นกาละวานอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติครับ <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs> คําคถามจากคุณชานีเวลาฟังบทสวดมนต์บทชัยมงคลคาถาแล้วรู้สึกใจหวิวหิวตื้นตันและจุกที่ลาคอ น้ำตาไหลพากสื่อเสะอื่ น, นทั้งที่ไม่เคยฟังและรู้ความหมายเลยและได้ไปกราบหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านเมตตาเทศให้ฟังก็ได้ความรู้สึกเหมือนตอนฟังบทสวดมนนั้นอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกสุขใจอินเอิบใจทั้งคราบน้ําตาเลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าอาการปิติใช่หรือเปล่าคะใช่เวลาฟังเทศสองทานแลจิต มีความซาบซึ้งใจมีความสงบจากการได้ฟังก็เกิดปิติขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาคำถามจากคุณสุ ข, ขุมการบวชเป็นพระเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดกิเลสให้หมดตามแบบพระอาจารย์มั่นตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นและตอนกลางคืนควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ถ้ายังไม่มีสติก็จริอนสติถ้ามีสติแล้วก็นั่งให้สงบให้จิตรวม ถ้าจิตรวมเป็นสมาี่แล้วก็ให้ออกทางปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พิจารณาแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงที่สักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปถ้าเราจากโดยที่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่จากเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเรายังอยากให้เขาไม่จากอยู่เราก็จะต้องทุกการปฏิบัตินี้ต้องการดับความทุกข์ยังก็ต้องละความอยากให้ได้ละความอยากจะละได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องจากเราไปคำถามจากคุณมตนอยเวลานั่งฟังเทศหลวงพ่อแบบสดๆเวลาปวดเมื่อยปวดเมื่อยหนูก็รู้สึกว่ากายกับใจ มันแยกกันมันจะเจ็บก็ช่างมันมดยุงจะกัดก็ไม่สนใจเพราะใจเพลินกับเสียงธรรมของหลวงพ่อแต่พอหลวงพ่อเทศเสร็จใจมันก็กลับมาวุ่นวายกับความเจ็บปวดของร่างกายและรู้สึกลำคาญมดยุงที่มากัดขอหลวงพ่อแนะนำอุบายเวลาที่หนูนั่งสมาธิคนเดียวแล้วเจอความเจ็บปวด หนูจะทำอย่างไรให้มันสบายเหมือนกับตอนนั่งฟังเทศหลวงพ่อคะก็ต้องเทศตัวเทศสอนตัวเองเช่นเทศคำว่าพุทธโธพุทธโธไปอันนี้ก็เป็นการเทศเพื่อที่จะใช้คำเทศนี้เป็นที่ยึดเกาะจิตใจเพื่อใจจะได้ไม่ไปทุกข์กับความเจ็บความปวดของร่างกายเวลาใจเวลาร่างกายเจ็บก็พุทธโธพุทธโธไปพุทธโธให้ถี่ไปเลยให้มันขาดใจตายไปกับพุทธโธ ถ้าไม่ชอบพุโทโธก็นับหนึ่งสองสามไปก็ได้นับให้มันเป็นถึงถึงแสนถึงหมื่นไปเลยถ้านับไปอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยวความทุกข์ทางใจมันก็จะหายไปยแล้วความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจเพราะใจเรามีที่เกาะมีใจมีที่พึ่งมีอะไรที่ไม่ไม่ทำให้ใจต้องไปไปมีความอารมณ์กับความเจ็บของร่างกายต้องมีอะไรยึดเกาะ เช่นการบริการพุโทโธก็ได้การสวดมนต์ก็ได้การฟังเทศฟังธรรมก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอัดเสียงแล้วก็เปิดฟังก็ได้ถ้าอยากจะถ้าเรานั่งของเราเองไม่ได้ล้วก็อาศัยการนั่งฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแต่ทางที่ดีเราควรที่จะนั่งแบบไม่มีการฟังดีกว่าเพราะว่าการฟังนี้ยังต้องอาศัยสิ่งภายนอกอยู่เราควรจะอาศัยสิ่งภายในที่มีอยู่ในใจของเรา สิ่งภายในยก็คือสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้ดูลมหายใจเข้าออกไปแ้ะเราเกาะติดอยู่กับมันได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความวุ่กับความเจ็บของร่างกายคำถามจากผู้ฝากถามหลานสาวหนูอายุ11ขวบเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบกลั่นแกล้งเขาตลอดเวลาก่อนหน้านี้มีปัญหาทําร้ายร่างกายจนผู้ปกครองต้องไปโรงเรียน มาครั้งล่าสุด ต, ตั้งแก๊งเพื่อนๆลุมแอนตี้หลานสาวหนูทำให้หลานเครียดหนูกลัวว่าจะมีผลกระทบกับผลการเรียนของเขากราบหลวงพ่อเมตตาแนะนำอุบายเพื่อจะได้ไปบอกหลานสาวให้วางใจกับปัญหานี้และจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะเมื่อกี้ปัญหาก็าว่างไงนะวันนี้ ก็คือให้หลวงพ่อแนะนําอุบายเพื่อจะได้ ไ, ดไปบอกหลานสาวปัญหาเกิดเป็นเพื่อนเขาที่โรงเรียนนะคะชอบแกล้งแล้วก็ตั้งกลุ่มแอนตี้อ๋อก็ต้องทําใจที่ว่าเป็นวิบากกรรมของเราก็แล้วกันว่าชาติก่อนเราเคยคงไปแกล้งคนอื่นชาตินี้เราก็เลยต้องมาถูกก็แกล้งถ้าเราไม่ไปสนใจเราก็เราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่แกล้งเราเราก็จะไม่ทุกข์ คือเราต้องยอมรับวิบากยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็อยู่ตามปกติของเราไปเรียนหนังสือไปทำการบ้านไปเขาจะแกล้งก็ปล่อยเขาแกล้งไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราห้ามใจของเราอย่าไปทุกข์กับการกลั่นแกล้งของผู้อื่นได้ด้วยการไม่มีความอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งถ้าเราทุกข์ถ้าเราอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งเราแล้วเขากลั่นแกล้งเราเราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะกลั่นแกล้งเราเราไปหยุดเขาไม่ได้แต่เราหยุดใจของเราไม่ให้ทุกข์กับการกลั่นแกล้งของเขาได้ด้วยการไม่ไปอยากให้เขาไม่กลั่นแกล้งเราคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแม่อายุ88ปีเป็นคนที่มีโทสะแรงชอบดุด่าไม่พอใจสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่เสมอลูกๆเลยไม่ค่อยมาเยี่ยม โยมเป็นคนเดียวที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเครียดจึงจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลส่วนเราก็ดูแลเขาโดยรวมๆห่างๆมีเวลาว่างก็อยากจะไปวัดฟังธรรมหาหนังสือมากกว่าบางทีอ่านหนังสือท ร, ร ม, มา ก, ก็สอนว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้านแต่เราทำงานก็เหนื่อยแล้ว อยากปลีกตัวออกไปหาความสงบสบายใจเช่นกันคิดว่าแก่แล้วไม่อยากเป็นอย่างเขาจึงต้องพยายามเข้าวัดฟังธรรมและอยู่ระหว่างฝึกปฏิบททัติธรรมแบบนี้ถือว่าอาการยูหรือเปล่าคะถ้ายังดูแลท่านอยู่ก็ยังไม่ถือว่าอากาอยูเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้เพราะเวลาเกิดอยู่ใกล้ชิดกันแล้วกลับจะเกิดปัญหาเกิดโทษขึ้นมา ก็ต้องดูแลกันแบบห่างๆย่างคนอื่นดูแลแทนไปแต่ก็ต้องคอยสอดส่องคอยดูแล ว, ว่าท่านสุขท่านสบายหรือเปล่าแล้วถ้าจาเป็นจะต้องเข้าไปใกล้ชิดก็ต้องเข้าไปแต่เข้าไปเฉพาะเหตุการณ์ก็แล้วกันเพราะไม่มีเหตุการณ์จะต้องเข้าใกล้ก็ถอยออกไปคำถามจากคุณนพข้อแรกผมนั่งสมาธิทุกคืนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเน้นนั่งสมาธิให้มากกว่าเดิม วันละหลายชั่วโมงหลายรอบทั้งวันช่วงระยะหลังนี้หลังจากนั่งสมาธิแล้วพอมีเหตุให้ต้องออกจากบ้านเข้าสังคมรู้สึกใจคอไม่ดีร้อนลนกลกก้ากลัวไม่ค่อยอยากจะออกไปแต่พอออกไปก็ไม่มีเหตุหร้ายอะไรอย่างนี้คือกิเลสมันหลอกไหมครับควรแก้ไขอย่างไรดีครับก็ควรทำใจให้รับกับเหตุการณ์ต่าง ถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบใจแล้วไม่มีความอยากเวลาเราสัมผัสกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะสักต่วาร้จะเฉยได้ก็ขอให้เราฝึกสมาธิฝึกสติให้มากเพื่อทำใจให้เราเป็นกลางแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสบายใจข้อสองผมภาวนาพุโทโธอยู่ครับสงสัยเรื่องการเจริญกรรมาฐานห้าควบคู่ไปด้วย ควรปฏิบัติตอนไหนครับขอพระอาจารย์โปรดแนะนําวิธีปฏิบัติกรรมฐานหาให้ด้วยครับคือกรรมฐานห้านี้ก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งและเป็นการเจริญปัญญาควบคู่ไปด้วยอันนี้ท่านมีไว้สําหรับสอนผู้ที่มาเป็นพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุนี้จําเป็นที่จะต้องพิจารณาร่างกายก็คือกรรมฐานห้านี้ก็เป็นอาการห้า ชนิดของร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ท่านสอนให้ทราบไว้คร่าวๆว่าร่างกายมี อ, อวัยวะอะไรบ้างแล้วแล้วหลังจากท่านรู้จักห้าอาการแล้วก็ให้เติมต่อไปให้ครบ32อาการให้ดูล่างกายให้ครบทุกสัดทุกส่วนเห็นเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันแล้วเห็นหนังแล้วก็ต่อไปก็ให้เห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูก เห็นมามเห็นหัวใจเห็นตาแผนปอดเห็นลำไส้ให้เห็นทั้งหมดเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการมารมขึ้นมาถ้าไม่เห็นอาการสามสิบสองนี่พอเห็นสีกาหน้าตาดีๆผิวพรรณสวยๆงามๆก็จะเกิดการมารณมขึ้นมาทำให้เกิดผ้าร้อนและอาจจะต้องลาสิกขาไปแต่ถ้ามีกรรมฐานห้านี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจสอนใจ ใจก็จะมีอาวุธไว้ป้องกันเวลาเห็นของที่สวยงา ม, งามก็จะระลึกถึงอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนึกถึงเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเห็นนึกกถึงอวัยวะต่างๆพอนึกถึงปั๊บอารมณ์อยากอารมณ์ไข้มันก็จะหายไปอันนี้เป็นเหมาะกับผู้เป็นนักบวชผู้ที่ถือศีลบวชกันเช่นถือศีลแปดขึ้นไปจะต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้ ถ้าไม่มีเครื่องรักษาเดี๋ยวเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็จะทำให้ผิดศีลได้คำถามจากคุณมูซำออมทำงานทางโลกเหนื่อยมากแล้วพยายามสร้างกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำเขาลกตามกฎวัดทุกอย่างแต่โดนลังแกจากโยมที่วัดเป็นประจำทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิด พยายามอยู่ห่างๆแล้วแต่ก็ยังไม่ไวายโดนต่อว่าต่อหน้าผู้คนมากๆไม่เคยตอบโต้ อ, อะไรเลยนั่งฟังเขาด่าว่าทุกครั้งแต่ใจไม่ดีเลยตอนนี้ทุกครั้งที่ไปทำบุญเหมือนจะมีบาปติดกลับมาด้วยเพราะใจจะโกรธทุกครั้งที่โดนว่าพยายามทำหูทวนลมแล้วแต่ทุกครั้งที่โดนใจโยมันไม่ยอมจริงๆ จะให้ไปวัดอื่นเราก็ไม่สะดวกขอหลวงพ่อเมตตาช่วยให้โยมหลุดจากบ่วงนี้ด้วยค่ะก็ต้องยอมรับว่าเรายังสอบตกอยู่การที่ถูกเขาด่านี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการเข้าห้องสอบะงั้นถ้าเราอยากจะสอบผ่านแล้วก็ต้องกลับไปทําการบ้านเพิ่มขึ้นกลับไปบ้านทําใจให้สงบให้นิ่งให้มีสติมากขึ้นแล้วก็หัดด่าตัวเองเอาคําที่เขาชอบด่าเรามาด่าเราฟังมันไปเรื่อยๆ ให้มันชินหูชินใจแล้วเวลาไปเจอเขาด่ามันจะได้รู้สึกเฉยเฉยต้องซ้อมซ้อมให้เขาด่าก่อนฝึกซ้อมก่อนเหมือนกับเวลาที่เราโชคมวยเนี่ยเราต้องซ้อมกับคู่โชคก่อนเขาจะต่อยมาแบบแบบไหนแล้วก็ต้องปล่อยให้เขาต่อยไปแล้วเราก็หาวิธีรับรับกับเขาไปพอเรารับได้แล้วเวลาเราขึ้นเวทีเขาต่อยมาเราก็จะรับกับเขาได้ฉัในใด ถ้าเขาด่าเราแบบไหนถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องพยายามเอาคําที่เราเขาด่าเราที่เราไม่ชอบนี่มาด่าให้บ่อยๆให้มันชอบจนได้ถ้ามันชอบแล้วเวลาเขาด่าไปนี่มันก็จะรู้สึกเฉยๆรู้สึกดีใจหลว ง, งพ่อคะแล้วมีบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดอย่าด่าตัวเองถ้าด่าตัวเองชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองจริงป่ะคะไม่จริงหรอกมันด่าตัวเองแล้วชมตัวเองมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เพราะมันเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่การดา่าหรือการชมตัวเราเอง <Yeah. S 1> ดังนั้นด่าได้การดา่านี้เป็นการซ้อมเป็นการทําการบ้านเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่ทําการบ้านเวลาเราไปเข้าห้องสอบแล้วก็จะทําข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าเราทําการบ้านได้พอเขาออกข้อสอบเหมือนกับการบ้านที่เราทําแล้วก็ทําได้เลยข้อสอบของเราก็คือเ้าด่าเราแล้วก็คําที่เ้าด่าเราเนี่มาด่าเราอยู่เรื่อยๆ ให้มันชินหูชินใจพอต่อไปพอเจอเขาก็อ๋อสบาย <c oughs> เข้าใจไหมอ่ า, อาคำถามหมดแล้วจากทางบ้านทางศาลานี่มีใครอยากจะถามอีกไหมอ้าวมาอ้าวเอาใกล้ก่อนที่ไหนใกล้กว่าก็เอาที่นั้นก่อนค่ะก็พอดีจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ค่ะว่า เมื่อกีอ้มีคําถามจากทางบ้านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถามถึงเรื่องกรรมฐาน5แต่คราวนี้อยากจะรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีในการมองทางด้านอสุภะมันมันต้องเริ่มต้นยังไงก่อนครับคือมันต้องถอนไป่ถืามันต้องดูผมเราแล้วเราก็ถอนผมออกมาดูไม่หรอกให้ดูส่วนที่มันน่าเกลียดน่ยเช่นดูหน้าตาคนที่มันน่าเกลียด น, นี่มันจะเห็นว่ามีการอารมณ์หรือเปล่า ก็คือเราต้องเพง่งเพ่งดูตลอดอยงนี้ก็ดูตอนที่เขาตายหรือตอนที่เขาตื่นขึ้ น, นมาหน้ายังไม่ล้างหน้าล้างตาผมเเพายังยังไม่ได้หวีเนี่ยอแล้วคิดเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้หน้าตาเขาเป็นยังไงดูเราไปเห็นคนแก่แล้วเราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาฝป่าต้องนึกถึงคน <c oughs> เวลาที่หน้าตาเขาแก่หน้าตาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาหน้าตาเขาตายไปแล้วเอ มันก็จะดับการมลลมได้ถ้าไปเห็นหน้าตาที่เขาแต่งหน้าทาปากหรือว่าแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมมันก็ดูแล้วก็จะเกิดการมลลมขึ้นมาได้ค่ะ ถ, ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนทุกวันเราก็นั่งพิจารณาเช่นเราก็เอารูปคนแก่ๆหรือว่ารูปศพมานั่งพิจารณาทุกวันทุกวันเลอดเลให้มันจับอยู่ในใจเพือให้ดูข้างในก็ได้ดูดูโครงกระดูกที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังดูกระโหลกศีรษะเนี่ย แอะหน้าตาสวยก็สวยแต่แค่ผิวที่มันคุ้มหออยู่เท่านั้นใช่ไหมถ้าลอกหนิบถ้าลอกผิวออกมาแล้วมันจะเหลืออะไรก็ฝึกไปเรื่อยๆดูไอ้ส่วนที่มันไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะทางนี้ต่ออาจารย์ครับผมขอถามว่าถ้าเกิดว่าผมภาวนาแบบดูดูใจดูจิตอย่างเงี้ยครับ ทีนี้เวลาเราดูถ้าเห็นจริงๆเนี่ยมันต้องดับหรือเปล่าครับอะไรดับสภาวะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันจริงๆเหมือนเห็นเหตุแล้วมันดับไปอย่ี้ถ้ามันดับเฉยๆนี่มันก็ดับชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะว่ามันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของมันแต่เพียงแต่ดับมันด้วยสตินั่นเองหยุดการปรุงแต่งของใจมันก็ดับไปพอพอวัตถุปรุงแต่งขึ้นมาใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ถ้าต้องการดับอย่างถาวรนี <Thank you. S 2> <cin> ้ต้องไปถอนที่รากของมันรากของมันก็คือความหลงที่ไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่เห็นว่ามันเป็นอสุภาะถ้าเห็นว่ามันเป็นอสุภาะแล้วต่อไปเห็นกี่ครั้งมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมากับสิ่งที่เราเห็นคุณครับครับ อย่างที่พระอาจารย์เทศน้านไหมายความว่าเวลาเรามองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกเราควรจะมองสองด้านใช่ไหมครับคือทั้งด้านประโยชน์และก็ด้านโทษของมันส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ประโยชน์ไงเราถึงต้องพยายามมองเห็นด้านที่มันเป็นโทษใช่ไหมครับเหมือนพี่ผู้หญิงที่กล่าวเรื่องของการดูดูร่างกายตอนี้เราเราเห็นด้านเดียวไงเราถึงต้องมาดูอีกด้านเราก็เลยหลงอยู่กับมันอใช่ไหมครับเราต้องถอนรากจากตรงนั้นใช่ไหมครับต้องมาดูอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ไม่เห็นกันครับ ด้านที่มันเสื่อมด้านที่มันดับด้านที่มันไม่สวยไม่งามครับเพื่อให้เราละจะได้ไม่ไปหลงมันจะได้ไม่ไปอยากได้มันมาครับขอบคุณครับที่ผมเจริญสติแล้วก็ดูแล้วเห็นมันดับแล้วมันก็เหมือนกับจิตมันจะย้อนกลับเข้ามาข้างในพอมันจะส่งออกปุ๊บยังไม่ทำไปถึงจุดที่มันจะไปสัมผัสมันก็รู้มันก็ดับมันก็ย้อนกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยมันกำลังเป็นการทําสมาธิหรือเปล่าครับ ก็เป็นการใช้สติดับอารมณ์ต่างๆถ้ายังไม่รู้มันก็ยังไม่เป็นสมาธิเหมือนมันจะย้อนกลับเข้าสู่ศูนย์กลางเก็พยายามดึงมันเข้ามาแต่ยังมันถ้ามันถ้ามันสงบแล้วมันก็ไม่ต้องดึงมันจะนิ่งถ้ายัางต้องดึงก็สแสดงว่ามันยังไม่นิ่งยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะ คือตัวเองทาสมาธิวิปัสนากรรมฐานมาเนี่ยสังเกตว่าเวลาเจอปัญหาหรือโลกโกดหลงเนี่ยเหมือนจะมันจะเบาบางลงไปอ่ะนะคะแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความอยากรู้นี่อันนี้ใช่กิเลสที่ยังยังยังคงอยู่ไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าอยากรู้อะไร อยากรู้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปแบบพอนั่งแล้วมันจะอันนี้ก็เป็นการคาดคะเนมันก็เป็นกิเลสมันการส่งจิตไปอนาคตคนจะอยู่ปัจจุบันถ้าอยากจะรู้ใกล้รู้ความจริงเช่นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้รู้ความจริงอย่าไปรู้สิ่งที่มันไม่แน่นอนไม่รู้มันจะเกิดหรือไม่เกิดอยางรู้แบบนั้นอยากรู้แบบกิเลสว่าจะรวยไปนานสักเท่าไหร่ จะจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยถ้าอยากรู้แบบนี้ก็เป็นกิเลสเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทําให้ทุกข์ไปเปล่าๆวิตกกังวลไปเปล่าๆถ้าอยากจะรู้ก็รู้ว่ามันตายแน่ๆเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่ามันต้องตายอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้มันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายไว้อถ้าเรานั่งสมาธิแล้ว มันเปลี่นกับเปลี่ยนสภาพสภาวะที่ไปอยู่ที่ไหนมืดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะคือระหว่างเวลานั้นนี่เราเราเราต้องต้องต้องคิดยังไงเวลานั่งสมาธิแม่คิดอะไรให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจถ้าพุทโธกับพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบแล้วความคิดหายไปมันก็จบ ถ้ายังคิดอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้นั่งสมาธิเรากำลังนั่งคิดแล้วนั่งคิดกระจายก็จะไม่สงบก็จะไม่ได้ผลอะไรจากการนั่งต้องไม่ยึดไม่คิดอะไรเลยให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดอะไรทั้งนั้นอ่ทั้งนี้อ่เร็ว อเวลากายจะหมดได้เขาหน้าก็ไดเ้เอาเลยเอาเลยยังมีเวลาอยู่อ่ะเออมันเป็นความรู้สึกที่ไร้สาระสําหรับคนบางคนแต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดจริงจริง ใ, ในใจของหนูนะคะคือว่าหนูชอบเลี้ยงสุนัขตัวเล็กๆค่ะเลี้ยงตัวเมียเอามาหวีผมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขอยู่กับมันทั้งที่หนูก็รู้ว่ามันมีภาระนะคะอย่าพูดไกลเกินไปเสียงมันมันสอ่น หนูจะถามว่าความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นกุศลหรืออกุศลคะมันเป็นราคะเชอบของสวยๆงามๆ ม, มันก็จะทำให้เราติดแล้วก็จะทุกเวลาที่มันเสียของสวยๆงามๆไปจะร้องไห้เสียใจบางคนเลี้ยงหมาหมาตายก็ต้องมาทำบุญถวายสังฆทานให้มันก็เหมือนเหมือนกับรักคนอย่างอ่ะ แล้วเราควรวางจิตยังไงคะเวลาเราเล่นกับมันแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกดีมันวิ่งตามลูกดิ๊กลูกดิกมันนําหน้าแอปเบลมันก็คุยกันอยู่ด้วยเนี่ยค่ะคิดถึงเวลามันหายไปเวลามันไม่เจอมันอ๋อค่ะเวลามันจากเราไปค่ะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติใช่ไหมคะก็เป็นเพราะยันไม่ได้มานั่งสมาธิบัวไปนั่งเล่นกับม้าค่ะพระอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะอ่าพระอาจารย์ คำถามหมดแล้วอยังงคิดว่าสมควรแก่เวลานะขอให้นำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนะินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ